อย่าให้ต้องถึงขนาดกลอบเป็นนับหนึ่งใหม่ก็แล้วกันที่พระพุทธองค์เปรียบชาญเหมือนเด็กอ่อนที่ลมง่ายต้องคอยประครบประงมนั้นจริงยิ่งกว่าจริงฉันสังเกต จ, จิตอยู่เรื่อยๆเพิ่งรู้ว่าการต้องสื่อสารกับคนจิตขุนทั้งหลายในโลกก็ทําให้กระแสของเราขุนตามไปบ้างไม่มากก็น้อยขอเพียงใจเข้าไปสัมผัสกับพวกเขา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 ขยันภาวนาได้โดยไม่ง่วงเหงาหาวนอนฉันก็รู้สึกเช่นนั้นจริ ง, รงๆเช่นกันความสว่างยิ่งแรงยิ่งกว้างยิ่งชัดเท่าไรใจก็ยิ่งขาวโพลนขึ้นเป็นลาดับให้หลับสบายๆกับวิ่งรอบหมู่บ้านตอนนี้ฉันสู้ยอมเลือกอย่างหลังจะดีกว่าเ <ST S> มื่อความสว่างตั้งมั่นเข้าส่วนและราวกับลืมตาเผชิญแสงขาวรอบทิศ